ไม่อยู่ประพฤติเพื่ออนิสงค์คือลาบสการะและความสารเสริญไม่อยู่ประพฤติด้วยคิดว่าชนจงรู้จากเราด้วยอาการอย่างนี้ดูการพิสูจน์ทางหลายที่แท้พรหมจรรย์นี้ภิกษุอยู่ประพฤติเพื่อความรู้ยิง่งเพื่อกำหนดรู้นะครับเพื่ออภิญญาและเพื่อปริญญานะครับเพื่อรู้ยิ่งนี้ก็คือเพื่อภิญญาคือการแทงตลอดอริยสัตว์เนี่ยนะครับปริญญาก็คือเพื่อกําหนดรู้อริยสัตว์นั่นเองนะครับเพื่อกําหนดรู้ทุกสัตว์เป็นต้นนั่นเอง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 ชนเหล่าใดชนเหล่าใดย่อมปฏิบัติพรหมจรรย์นั้นตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วชนเหล่านั้นชนเหล่านั้นผู้กระทำตามคําสั่งสอนของพระศาสดาจักกระทำที่สุดแห่งวัฏทุกได้ก็อีกความหมายหนึ่งนะครับที่จริงปฐมสูตรเนี่ยนะปฐมกุหนาสูตรนี่หมายถึงสังวรกับปหานะแต่สูตรนี้ก็คือเพื่ออภิน ญ, ญากับปริญญานะครับ ที่จริงก็โดยอัฏฐะก็ไม่มีความต่างกันนะครับต่างกันแค่โดยพยัยมชนะเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นในอัตถาจึงไม่อธิบายอะไรมากบวว่าอภิญยะถังได้แก่เพื่อรู้ธรรมะทั้งปวงโดยจำแนกมีกุศลเป็นต้นและโดยจำแนกมีขันเป็นต้นโดยไม่วิปริตด้วยความรู้อันวิเศษยิ่งบวว่าปริญญะถังได้แก่เพื่อกําหนดรู้และเพื่อก้าวล่วงธรรมะอันเป็นไปในภูมิสามโดยในเมียที่ว่าอีทงังทุกขังนี้ เป็นทุกข์ดังนี้นะเพื่อแทงตลอดอริยสัจนั่นเองนะครับนะทั้งอภิญยาทั้งปริญญานั้นก็เน้นที่การบรรลุอริยสัจนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจุดมุ่งหมายของการบําเพ็ญไตรสิกขาทั้งหลายก็เพื่อแทงตลอดอริยสัจให้รู้ว่านี้ทุกข์ใช่ไหมครับนี้ทุกขสมุ ท, ทยัยนี้ทุกขะนิโรดนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเพราะฉะนั้นนี้เป็นเป้เปาหมายที่สําคัญที่สุดของการประพฤติพรหมจรรย์นะครับของการประพฤติพรหมจรรย์คืออะไรครับพรหมจรรย์คืออะไรครับ เขจะทวนได้ป่ะใสเกียร์ถอยหน่อยพรมอาจารย์คืออะไรพรมอาจารย์เนี่ยพรมอาจารย์ตัวพรมอาจารย์เนี่ยโดยศัพท์แล้วนี่มีเยอะเลยอ๋อครับไอที่ประสงค์ในที่นี้ครับตัวพรมอาจารย์ก็คือ อ, อมรรคผลนิพพานนะเนี่ <S <S เยเขาบอกว่ามาแล้วในอริยมรรคเนี่ยในมหาคนวินสาศนี่ก็เป็นพรมอาจารย์เหมือนกัน เราแสดงมาติดตามเรื่องมันก็ได้เลยนะครับนะครับล็อกแล้วนะเมื่อกี้บอกว่าพรหมจรรย์ที่ประพฤติเนี่ยหมายถึงศาสนพรหมจรรย์กับมรรคมจรรย์นะครับไม่ใช่พรหมจรรยศัพท์นะครับพรหมจรรยศัพท์ท่านก็ยกมาให้เห็นเยอะแยะนะว่าพระไตรปิฎกเนี่ยมีพรหมจรรยศัพท์อยู่เยอะแยะนะมีอยู่หลายแห่งแต่ละแห่งก็มีความหมายแตกต่างกันแต่ในสองสูตรนี้หมายถึงศาสนาพรหมจรรย์คือไตรสิกขาและมรรคมจรรย์นะครับ ว่าไปว่ามาไปที่ไหนก็นไม่รู้แล้วครับนี่น อ, นอ๋อแลยครับแย่แล้วครับดิผมก็ตามตลอดเลยครับตกลงหน้าสองร้ยสิบสามนะครับดูที่ <c oughs> นีนี่นี่ใ น, นที่นี้เนี่ยครับผมมาโอ๊นึกว่าติดตามเรื่องได้นะครับเห็นฟังครับคนคน <c oughs> อธิบายไม่ดีนะครับ จะเสียคนกับตอนนี้เลยเพราะฉะนั้นที่บอกว่าไอ้พรหมจรรย์นี้ภิกษุไม่อยู่ประพฤติเพื่อจะหลอกลวงชนเนี่ยนะหมายถึงศาสนาพรหมจรรย์หรือไตรสิกขานะและมรรคพรมจรรย์เนี่ยไม่ได้อยู่ประพฤติเพื่อหลอกลวงชนนะไม่อยู่ประพฤติเพื่อประจบค้นไม่อยู่ประพฤติเพื่ออานิสงค์คือลาบสการะความสรรเสริญ ไม่ได้อยู่ประพฤติโดยคิดว่าชนจงรู้จากเราด้วยอาการอย่างนี้แต่ว่าโดยที่แท้เนี่ยนะครับที่ประพฤติาศาสนาพรหมจรรย์หรือมรรคพรหมจรรย์เนี่ยประพฤติเพื่ออภิน ญ, ญาประพฤติเพื่อปริญญานี่ในหนึ่งนะในหนึ่งก็ประพฤติเพื่อสังวรประพฤติเพื่อปหานะนะครับในบทนั้นความรู้ยิ่งในสิ่งที่ควรรู้ยิ่ง เป็นวิสัยของอริยสัจสี่นะครับก็การรอบรู้คือการกําหนดรู้ผีว่าการกําหนดรู้เป็นวิสัยของขทุกขสัจใจพรหมจรรย์เว้นจากการตรัสรู้ด้วยปหานะสัจคิกิริยาและภาวนาย่อมเป็นไปไม่ได้เพื่งทราบในที่นี้ท่านประสงค์เอาปหานะเป็นต้นนั่นเองนะครับคือสรุปแล้วนะครับหมายถึงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อแทงตลอดอริยสัจนั่นเองนะครับไม่ใช่เพื่อจุดหมายอย่างอื่นเลยนะครับ ในในที่สองอ่ะนะในที่หนึ่งก็เพื่อสังวรกับปหานะสรุปแล้วก็เพื่อมรรคผลนิพพานอพรหมจรรย์เพื่อพรหมจรรย์อย่างหนึ่งอะจุดหมายของพรหมจรรย์ น, นี่อย่างหนึ่งนะครับอันนี้จะเอาสองอย่างปนกันไม่ได้นะเอาไหมดิพรหมจรรย์คืออะไรกับมรรคกับพรหมจรรย์พรหมจรรย์ น, นี่เพื่ออะไรครับอืม เพื่อสังวรเพื่อปะหานะเพื่ออภิญญาเพื่อปริญญานะครับนี่คือจุดมุ่งหมายของพรหมจรรย์์นะครับจุดมุ่งหมายของพรหมจรรย์ย่างอื่นไม่ใช่ทั้งนั้นนะครับเช่นพวกหลอกลวงชนหรือว่าประจบคนเพื่อไอ้ลาบสการะความสารเสริญหรือว่าแหมใครจะได้รู้ว่าเราเนี่คนดีคนดีนะว่างั้นนะครับทําตัวดีๆอย่างเงี้ยไม่ใช่ปฎไมายแบบนั้นว่างั้นเถอะนะครับนี่เขาเรียกจากกุขนาสูตร